แถวนี้ผีดุเรื่องผีผีเพื่อนเก่าสวัสดีครับผมมีเรื่องเล่าของเพื่อนผมที่จะเล่าให้ฟังเพื่อนผมชื่อต๊อกครับเรื่องสยองสยองนี่เกิดขึ้นกับต๊อกต๊อกมีเพื่อนที่สนิทสมัยเรียนชั้นมัธยมหลายคนซึ่งหลังจากที่เรียนจบเพื่อนแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางชีวิตของตัวเองต๊อกย้ายตามครอบครัวเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพ แต่ก็ยังเขียนจดหมายติดต่อและยังไปมาหาสู่กับเพื่อนจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยและเริ่มเข้าสู่วัยของการทํางานก็เริ่มที่จะห่างหายจากเพื่อนเก่าไปบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งทางบริษัทที่จัดงานสัมมนานที่จังหวัดบ้านเกิดของต๊อกต๊อกเจอนุชเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมซึ่งทํางานในโรงแรมที่ต๊อกไปสัมมนาและได้คุยกับนุชต๊อกยิงถามถึงเพื่อนเอนสมัยเด็กตอนเรียนด้วยกันนุชบอกว่าเพื่อนบางคนที่ทํางานอยู่ในจังหวัดนี้ และถับจังหวัดใกล้เคียงก็ยังไปมาหาสู่กันเสมอแต่เพื่อนที่ไปทํางานไกลๆในกรุงเทพหรือที่ภาคอื่นก็ห่างหายกันไปเลยต๊อกจึงถามถึงเพื่อนที่ต๊อกสนิทด้วยมากที่สุดในสมัยเรียนมัธยมนั่นก็คือต่อหลังจากที่ต๊อกไปงานแต่งงานของต่อเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจึงอยากจะแวะไปเยี่ยมต่อนุชบอกว่าหลังจากต่อแต่งงานไปก็ไม่ค่อยได้เจอต่อเหมือนกันมีที่อยู่ใหม่ของต่อที่ต่อให้ไว้ครั้งก่อนที่เจอกันนุชจึงให้ที่อยู่ของต่อกับต๊อก เมื่อได้ที่อยู่ของต่อมาแล้วต๊อกตั้งใจว่าวันเสาร์นี้หลังจากงานสัมมนาเสร็จจะแวะไปเยี่ยมต่อก่อนกลับเข้ากรุงเทพเมื่อวันเสาร์มาถึงหลังจากงานสัมมนาเสร็จเพื่อนๆที่บริษัทต่างพากันกลับเข้ากรุงเทพแต่ต๊อกขอพักอยู่ที่โรงแรมก่อนเพราะอยากไปเยี่ยมเพื่อนเก่าและอยู่เที่ยวที่นี่อีกสักวันสองวันต๊อกขับรถไปตามที่อยู่ที่นุชให้มาผ่านตัวเมืองใหญ่จนกระทั่งเริ่มออกสู่ชานเมืองซึ่งมีบ้านคนอยู่ปรับรายตามทางจนมาถึงบ้านหลังหนึ่ง เป็นบ้านสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดบ้านเลขที่ตรงกับที่นุชให้มาต๊อกจึงลงไปกดกลิ่งหน้าบ้านหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดต๊อกจึงหันหลังกําลังจะเดินกลับขึ้นรถก็ได้ยินเสียงเปิดประตูรั้วกําลังเปิดออกต๊อกหันกลับไปเห็นเหมือนคนเดินเข้าไปในบ้านประตูหน้าบ้านเปิดออกเหมือนเป็นการเชิญให้เข้าไปข้างในต๊อกเดินตามเข้าไปทันทีเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบกับพึ่งซึ่งเป็นแฟนของต่อต๊อกดีใจมากรีบถามหาต่อทันที พึ่งบอกว่าตอก็ไป ท, ทําธุระในเมืองกว่าจะกลับก็ค่ำๆตอกจึงตัดสินใจจะรอต่อเพราะไหนๆก็มาถึงที่บ้านแล้วเพึ่งจึงขอตัวไปทํางานบ้านก่อนตอกนั่งรออยู่บนโซฟาจากเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเวลาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งต๊อกเผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงของต่อกําลังปลุกให้ตื่นตื่นตื่นต๊อกงวงเงยตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาบนฝาผนังซึ่งเกือบสองทุ่มแล้วต๊อกดีใจมากเมื่อเจอต่อ ทั้งคู่ถามสาระทุกสุขเด็กกันอยู่นานลืมความง่วงเหียไปเลยต่อจึงชวนต๊อกนอนค้างที่บ้านเขาต๊อกตกลงทันทีเพราะอยากอยู่คุยกับต่อซึ่งไม่ได้เจอกันมานานแล้วหากหลักกรุงเทพคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ต่อจึงพาต๊อกขึ้นไปชั้นสองเพื่อพาไปดูห้องที่จะนอนค้างในคืนนี้ต๊อกขออาบน้ำก่อนเพราะรู้สึกว่าเหม็นสาบตัวเองเหลือเกินต๊อกเดินเข้าไปในห้องเพื่อ อ, อาบน้ำส่วนต่อขอลงไปรอข้างล่างต็อก้าไปในห้องน้ำ เมื่อเปิดก๊อกน้ำก็พบว่าน้ำไม่ไหลทั้งในอ่างล้างหน้าและฝักบัวไม่มีน้ำสักหยดต็อกจึงเดินออกมาจากห้องน้ำขณะที่กําลังจะเดินออกไปจากห้องต็อกได้มองออกไปนอกหน้าตา่างเขาได้เห็นบรรยากาศข้างนอกบ้านเงียบส ง, งัดไม่เปิดไฟหน้าบ้านเลยสักดวงแม้แต่ไฟทางก็ไม่มีต็อกจึงเดินลงไปข้างล่างขณะที่กําลังเดินลงบันดไดก็ได้ยินเสียงต่อกับพึ่งกําลังทะเลาะ ก, กันอยู่เสียงมาจากในครัวต็อกรีบเดินลงบันไดเพื่อเข้าไปห้าเมื่อมาถึงหน้าประตูห้องครัว ตอกก็เห็นทั้งคู่ทะเลาะ ก, กันดุนแรงขึ้นต่อหยิบมีดที่วางอยู่บนเขียงช่วงแทงพึ่งและพึ่งก็คว้ามีดอิโตโ้ฟันหัวของต่อต๊อกได้แต่ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอาการช็อกทำอะไรไม่ถูกมองเห็นภาพนั้นซ้ำๆจากนั้นทั้งต่อและพึ่งก็ล้มลงไม่นานทั้งคู่ก็ลุกขึ้นมาในสภาพที่เลือดท่วมตัวและกำลังเดินมาทางต๊อกตอกตกใจแทบสิ้นสติวิ่งล้มลุกคลุกคลานออกมาจากบ้านทันทีเมื่อวิ่งหนีออกมานอกรั้วบ้านก็พบว่า ข้างนอกบ้านยัมีแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลากลางวันอยู่ไม่ใช่กลางคืนเหมือนในบ้านต๊อกรีบขึ้นรถและขับออกมาทันทีโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกเมื่อขับรถเข้ามาถึงโรงแรมต๊อกรีบเข้าไปหานุชเพื่อจะเล่าเรื่องของต่อให้นุชฟังเมื่อไปถึงหน้าที่ฟรอนต์ที่นุชทำงานมีพนักงานคอยให้บริการลูกค้าอยู่ต๊อกจึงถามหาหนุชพนักงานที่กำลังทำงานอยู่บอกว่าไม่มีพนักงานชื่อนุชทำงานอยู่ที่นี่ต๊อกจึงบอกชื่อจริงของนุชว่าชื่อนุชชนะ พนัก ง, งานยกกระเป๋าที่คอยให้บริการลูกค้าของโรงแรมยืนอยู่แถวนั้นและได้ยินว่าต๊อกถามหาใครจึงเดินเข้าไปคุยกับต๊อกและบอกกับต๊อกว่านุชหรือลุชนาดเพื่อนของต๊อกเคยทำงานอยู่ที่นี่แต่เสียชีวิตไปเนื่องจากหัวใจวายในขณะที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมท็อกตกใจและช็อกกับทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงรีบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมทันทีไม่พักมันแล้วคืนนี้หลังจากกลับถึงกรุงเทพต็อกยิงโทรหารหนุ่ยที่ทำงานอยู่กรุงเทพ แต่กลับบ้านต่างจังหวัดบ่อยจึงน่าจะรู้เรื่องของต่อและนุชบ้างนุชเล่าให้ต๊อกฟังว่าหลังจากที่ต่อและพึ่งแต่งงานกันได้ไม่นานก็ย้ายบ้านไปอยู่แถบชานเมืองทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยเพราะเรื่องความหึงหวงจนวันที่เกิดเหตุต่อกลับมาถึงบ้านเกือบสองทุ่มเพิ่งคิดว่าต่อเป็นมีผู้หญิงคนอื่นนอกบ้านจึงทะเลาะ ก, กันรุนแรงและใช้มีดแทงกันตายในครัวกว่าจะมีคนมาพบศพก็สามวันเข้าไปแล้วส่วนงานศพก็มีเฉพาะญาติๆและคนที่ใกล้ชิดที่รู้ข่าวเท่านั้น เพื่อนบางคนยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยส่วนบ้านหลังนั้นก็ประกาศขายและให้เช่าแต่มีคนมาขอเช่าและอยู่ได้ไม่นานก็โดนหลอกจนจับไข่ไปหลายคนบ้านจึงถูกปล่อยทิ้งร้างมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนนุชเสียชีวิตไปเพราะหัวใจวายหนุยและเพื่อนๆก็ไปงานศพมาแต่ยังไม่เคยมีเพื่อนคนไหนเจอนุชแบบต๊อกเลยสงสัยต่อกับนุชคงคิดถึงต๊อกมากจึงมาปรากฏตัวให้เห็นวันรุ่งขึ้นต๊อกจึงไปทำบุญถวายสังฆทานให้ต่อพึ่งและนุชซึ่งหวังว่า เพื่อนๆจะได้ไปสู่สุขติและบอกต่อกับนุชว่าถ้าจะคิดถึงแล้วมาหลอกกันขนาดนี้ไม่ต้องคิดถึงมากก็ได้หัวใจจะวายคุณละ่ะเคยมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานบ้างไหมหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ